hmm <tries>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 ทำงานทำงานทำงานรวมทั้งทำนั่นทำนี่แต่ว่าเรื่องทำใจอาจจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ที่จริงพูดถึงประสบการณ์ของพวกเรานี่มันเป็นต้นทุนที่อุดมนะเป็นต้นทุนที่มากมายที่สะสมไว้นะตลอดวันเวลาที่ผ่านมา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 เขาเรียกเราอย่างยกยองว่าสูงวัยสูงวัยนะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็เป็นวัยขาลงยิ่งจําเป็นนะที่จะต้องทําใจให้มากขึ้นเพราะว่ากําลังวังชาแล้วก็ลดน้อยถอยลงนะเงินทองก็น้อยลงนะมันไม่พังพร้อมบริบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนถากว่าไม่รู้อยากทําใจเนะี่ยก็จะเป็นทุกข์ กรุ่ม อ, อกกุ่มใจโดยเฉพาะเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะช่วงวันตรุษจีนนี่ก็มีลูกหลานพาญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาอายุเจสบกว่าเรียกว่าเป็นข้าบาดีหรือเศรษฐีนี่ก็ได้ก็คือร่ำรวย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 ภาคินสานี่มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับประส า, ะสาทนะโดยพราะกล้ามเนื้อพูดก็ไม่ชัดในบางครั้งมือไม้ก็อาจจะสั่นในบางทีเดินก็ไม่สะดวกเอาสนทนาไปสนทนามาผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ตัดเพ้อขึ้นมาว่าทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ฉันทำผิดอะไร นะจึงต้องมาป่วยแบบนี้เอาตอมาก็ตอบทันทีว่าทำผิดแน่นอนไม่ได้ไหมายถึงทำผิดในชาติที่แล้วนะชาติที่แล้วเป็นอย่างไงนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้แล้วทาผิดอะไรก็ทำผิดตรงที่ว่าร่างกายมันเคยเตือนแล้วมันเคยเตือนว่าทำงานหนักไป ต้องพักผ่อนสัหน่อยมันเตือนมาหลายปีแล้วนะไอเตือนทางตอนอาย 60, นะุหกสิบเพราะว่าเสือที่นี่ท่านนี้ท่านทำงานเยอะนะขี้ดูเซขนาดเจ็สิกว่าแ ล, วแล้วป่วยนี่ยังไม่ยอมวางเลยก็อย่างทำงานนั่นแหละแล้วยิ่งถ้าตอนอายุหกสิบเนี่ยย้อนหลังถอยหลังไปสิบปีสิบหปีนีนะ่คงจะทำหนักยิ่งกว่า น, นี้คงจะไม่ได้พักผ่อน ร่างกายมันบอกร่างกายมันเตือนร่างกายมันวิงวอนว่าพักสักทีพักสักทีก็ไม่ยอมฟังผลสุดท้ายก็เลยเป็นอย่างนี้ไงป่วยนะถ้าป่วยเนี่ยนะก็เป็นการวิงวอนร้องขอหรือส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งของร่างกายว่าพักได้แล้วพักได้แล้วก็ขนาดป่วยเงี้ยไม่ยอมพักเลยอันนี้หลาเรียกว่าทำผิดนะ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 โยมมีอายุยืนมันก็ถึงแค่นี้นะเจ็สิกว่าเนี่ยถือว่าเป็นโชคไหมโอ้โชคเหมือนกันก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามันนับดูเนี่ยนะโยมเนี่ยมีโชคอยู่เกอย่างแต่ไม่มีโชคอยู่ยางเดียวคือสุขภาพถ้าเป็นนักเรียนนะสอบก็ได้เกปอร์ซนะเก้าสบในร้อยนะอย่างนี้น่าพอใจไหมเวลาเรียนหนังสือเนี่ย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 ไว้สองสมประโยคนั้นน่าสนใจนะท่านบอกว่าเราจะเข้าวัดเองหรือจะให้คนถามเข้าวัดนะถ้าคนถามเข้าวัดนี่แปลว่าอะไรนะเราจะสวดมนต์เองหรือจะให้ใครหรือจะให้พระสวดให้เราฟังสวนกุศลธรรมมาให้เราฟังเราจะพนมมือเองหรือจะให้สัพเะเิิอเนี่ยจับมือพนมนะลองคิดแบบนี้ซะบ้างนะ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 เรามีความตายเป็นธรรมดาตัวเราเพิ่งความตายไปไม่ได้เราจะพัดพราดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่คือความจริงที่เราต้องมองให้เห็นนะมาวัดนี่ยจะจะมวัวแต่ทําบุญนะหรือว่าทําความดีเช่นรักษาศี น, นั่นนั้นทำบุญก็รักษาศีลทําความดีนี่ดีแล้วนะแต่มันยังไม่พอนะที่จะช่วยปกป้องใจไม่ให้ทุกข์มันต้องเห็นความจริงอย่างนี้ด้วย ถนความจริงนี้แล้วเนี่ยนะเวลาเจ็บเวลาป่วยก็จะไม่บน่นบวยว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นมีหลายคนเนี่ยนะพอเจ็บป่วยเป็นมะเร็งก็ตัดพาะต่อว่าว่าทําไมนะฉันทําดีมาต้องเยอะทําบุญให้ทานมาก็มากากระถิน่นผ้าป่าฉันก็ไม่เคยเละเว้นทําไมต้องมาเป็นอย่างนี้ทําไมต้องมาป่วยอันนี้เราซ้ําเติมตัวเองนะทุกครั้งที่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 มันก็เป็นการฝึกทำใจอีกอย่างหนึ่งนะฝึกให้เรายอมรับความจริงที่แม้จะไม่พึงประสงค์แต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยอมรับจงกระทั้งเห็นว่ามันเป็นธรรมดาแม่รังเกียจเดียดฉันมันถึงเวลาตายก็ไม่ทุกข์แต่ก่อนที่จะตายมีความเจ็บความป่วยก็ไม่ทุรนทุราย กายทุกนะแต่ใจไม่เป็นทุกเนะี่ยเพออราะรเพราะฝึกทําใจมาแล้วบางทีก็เป็นทุกเพราะลูกหลานนะลูกหลานเขามีปัญหาธุรกิจบางครก็ตกงานหลานนี่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้ในความที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยมันก็จะมีคนที่อยู่ในอุปการะหรือว่าคนที่เราห่วงใยเยอะ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 ถามว่าเหตุมันเกิดเมื่อไหร่นอน30สิปีมาแล้วก็ยังหมกมุ่นคลุนคิดอยู่กับเรื่องเนี้ยหาความสงบใยในจิตใจไม่ได้ทั้งเที่ยงที่กลังจะตายอยู่แล้วนะควรจะใช้เวลาที่มีเหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยเพื่อการนะทำใจให้มีความสุขจนะกลับหาเรื่องทุกข์มาใส่ใจนะเพออะราะใจมันไปหมกมุ่นอยู่กับอดีตลูกนะก็สงสารแม่นะเป็นห่วงแม่ว่า ถ้าแม่เป็นอย่างนี้ก็เกิดตายขึ้นมาตอนที่ยัโกรธเนี่ยตอนที่ยังมีจิตคิดเพยาบานี่ลูกแม่คงไปอาบายพยายามขอให้แม่หนีให้อภัยแม่ก็ไปโกรธลูกอย่นะหาว่าลูกนี่ไปเข้าข้างไปเข้าข้างมันนะไม่เข้าข้างแม่อันนี้ก็วางใจผิดอีกเหมือนกันนะมองผิดนะพอมองผิดเขาก็เลยเกียดคนหนึ่งไปทั่วเลยทั้งที่ก็ปรารถนาดี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 เพราะว่าพอใจดีแล้วเนี่ยไอ้ความเสื่อมของร่างกายมันก็มันก็ชะลอลงถ้าใจไม่โกรธเกลียวนะไม่เอาแต่เจ้าอารมณ์เนี่ยนะหัวใจมันก็ดีความดันก็ยังดีหรือว่าไม่เสื่อมเร็วอย่างคนที่ขี้โกรธขี้โมโหนีความดันก็ดีหัวใจก็ดีตับก็ดีตก็ดีก็แย่หมดเลย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 งั้ถ้าว่าไม่มีไม่รู้จักทำใจนะมันก็ยิ่งเจอความพัดพ่างมากขึ้นอายุมากขึ้นก็เจอความสูญเสียเจอความตายคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็จะมีแต่แย่ลงแย่ลงแต่ถ้าเราผ่านโลกมาเยอะเราเห็นว่าความพัดพ่าเป็นธรรมดาความสูญเสียเป็นธรรมดาเราก็ปล่อยวางได้รู้ว่าเป็นเช่นนั้นเองอันนี้ก็เป็นการทำใจอย่างนึ่งนกะ็คือการม อ, มองเห็นโลกตามความเป็นจริงนะ ไม่มองสวนไม่มองขัดแย้งกับความเป็นจริงของโลกหรือว่าของของชีวิตนแล้วก็ทำให้ใจสบายเอาคำนี้ก็พูดกับท่านนีนนะอ้าวรับครบ